จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25กุมภาพัน์พุทธศักราช2556เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการคือเป็นวันที่มีพระอาหารหันตัตสาวงหนึ่งรูปได้เดินทางมาจากทิศท า, างต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อมาเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าสองพระอรหันต์สาวกทั้ง1250รูปนี้เป็นเอหิภิกขุคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยการเปล่งวาจาของพระพุทธเจ้าว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิด สมัยที่พระเจ้าบวชแรกๆท่านบวช ด, ด้วยวาจาสั้นๆเพียงสองคำขอให้มาเป็นทิกษุเถิเท่านี้ก็ได้ได้เป็นพระภิกษุแล้วแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในตอนบ่ายได้ทรงประทานพระโอวาทะปาะติโมคือคำสอนที่เป็น หรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้และประกาศพระธรรมคําสอนในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสรุ้และมาสั่งสอนพระธรรมในอนาคต ความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระ อ, องค์ก็จะเป็นเหมือนกันหมดคือมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ทำบุญให้ถึงพร้อม 2. ละบาปให้หมดไป 3. ามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์าะนี่คือวิธีการที่จะดับความทุกข์ทั้งหลาย ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปวิธีการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่างถาวรและเป็นวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดในภกน้อยภกใหญ่ที่สัตว์โลกทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดมาอย่างไม่มีวันหมดสิ้น วนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคําสอนได้พบกับพระอรหันตสาวกที่จะสอนให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นเหตุของความทุกข์นั่นเองถ้ามีการเกิดก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย มีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพัดพลากจากกันก็จะต้องไม่กลับมาเกิดอีกทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือคําสอนที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้เพราะยังมีความหลงครอบงำจิตใจมีความหลงให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลมจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา พอเรามีความหลงเราก็ไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของเราเราปรารถนาความสุขแต่เรากลับไปเอาความทุกข์มาใส่ใจเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงแล้วเป็นความทุกข์สิ่งที่เราคิดว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ อยู่กับเราไปนานนก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราพอเราไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็มีอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นๆแต่พอสิ่งนั้นต้องจากเราไป เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความทุกข์เราก็จะไม่ไปหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติมาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆนี้ เป็นเหมือนความความสุขที่เคลือบความทุกข์นั่นเองเป็นเหมือนน้ำตาลที่เคลือบอยาขมเวลาเราอมเข้าไปในปากใหม่ๆยังมีแต่น้ำตาลก็รู้สึกรสหวานดีพอน้ำตาลได้ละลายหมดไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่ความขมให้เราได้สัมผัส ชั้นใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเรามักจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาแต่พอระยะเวลาผ่านไปแล้วความสุขที่ได้ก็จะจางหายไปเหลือแต่ความทุกข์ที่จะตามมาความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความทุกข์ที่เกิดจากความหวง ความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องจากกันไปต้องไปกันคนละทิศคนละทาง เพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองแต่ใจของเรานี้ไม่มีธรรมะแสงสว่างมีความมืดบอดคือความหลงปิดบังใจทำให้ไม่ให้ไม่ให้เห็นความจริงในไม่ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญ มีการเสื่อมและมีการดับไปเราจึงมองไม่เห็นความจริงอันนี้เราคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ว่าเราได้อะไรมาเราก็จะรู้ต่อไปเองว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดจะเป็นเสมอไป วันนี้เขาดีแต่พรุ่งนี้เขาเปลี่ยนไปได้จากดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีได้วันนี้เป็นของใหม่พรุ่งนี้ก็กลายเป็นของเก่าไปมาเลย์นี้ก็กลายเป็นของเสียไปนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่สัตว์โลกมองไม่เห็นกันมองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามีการเจริญ ก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อมีความเสือ่อมถ้าเรามีความอยากให้ไม่เสือ่อมเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจเนะพราะเราอยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราไปอย่างเดียวแต่เวลาเขาเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้จากเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาพบกันใหม่ๆเขาก็รับ เขาก็ดีทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปจากดีก็ไม่ค่อยดีจากรับก็ไม่ค่อยรับพอเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจรับไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่แทนที่เราจะเขะหลาแทนที่จะใช้เป็นบทเรียนสอนเรา เรากับพยายามหาสิ่งใหม่ๆ ม, มาทดแทนต่อไปเมื่อสิ่งนี้ไม่ดีก็หาสิ่งใหม่ต่อไปหาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจนเรามีของเก่าเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเพราะสิ่งที่เราได้นานั้นไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับตอนที่เราได้ตอนใหม่ๆเราก็เลยต้องไปหาของใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ หามาเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนกันทุกครั้งไปใหม่ๆก็ให้ความสุขพอผ่านเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็หายไปเราจึงมีของเต็มบ้านไม่หมดมีเสื้อผ้าล้นตู้มีรองเท้าล้นล้นตู้ ม, มีกระเป๋ากระเป๋ามีอะไรต่างๆล้นไปหมดแต่ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้จางหายไปหมดเลย เหลือแต่ความชุกขความทุกข์ที่ต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยกังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่เวลาไม่อยู่บ้านก็มีความวิตกกังวลว่าจะมีขโมยขึ้นบ้านหรือไม่และเวลาขโมยขึ้นบ้านเอาของไปก็เสียอกเสียใจ ทั้งๆ ท, ที่ของเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเขาเลยแต่เรายังหวงอยู่ยังยึดติดว่าเป็นของเราอยู่ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับตอนที่เราได้เขามาใหม่ๆนี่คือเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ของที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจึงอยู่กับความทุกข์มาตลอดทุกพพทุกชางเพราะเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราทุกครั้งที่เราเกิดความอยากใจเราจะโกรธก้าวกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาอยากได้อะไรแล้วเรายังไม่ได้นี่เราจะรู้สึกไม่มั่นใจเราจะรู้สึกวิตกกังวลไปต่างๆนาน า, น า, นานจนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนี่คือความทุกข์พอได้มาก็สบายใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องของใจของเราที่ วนเวียอยู่กับการหาความทุกข์มาใส่ใจของเราเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วเราถึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติสามข้อด้วยกันเคย 1. หให้ทำบุญสองให้ละบาปสาให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำได้ใจของเราจะมีความสุขเช่นเวลาทำบุญใจของเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความพอใจแล้วพอเราทำบุญได้เราก็จะไม่อยากจะทำบาปเราก็จะ ละการกระทำบาปได้พอเราไม่ทำบาปใจของเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะเวลาทำบาปนี้จะทำให้ใจเราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจแต่พอเราไม่ได้ทำบาปแล้วความไม่สบายใจความกังวลใจก็จะหายไปก็เหลือแต่ความสบายใจเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราได้ชำระใจของเรา จำนวความหลงที่หลอกให้เราไปกว้านหาความทุกข์ต่างๆเข้ามาสู่ใจของเราพอเรารู้ทันความหลงรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราได้เพียงอย่างเดียวนอกจากให้ความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วยังให้ความสุขกับเรามากกว่าความสุขที่เราได้มาอีกหลายเท่าด้วยกัน พอเรารู้ความจริงอันนี้เราก็จะชำระความหลงได้ความหลงที่ทำให้เราเกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธนี่เองพอเรามีความรู้มีความรู้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็จะหายหลงพอเราหายหลงแล้วเราก็จะไม่เกิดมีความอยากเกิดมีความโลภ ถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธนี้เกิดจากความอยากเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็จะกโกรธโกรธคนที่เขามาขัดขวางเราเช่นเราอยากจะไปเที่ยวขออนุญาตจากพ่อจากแม่พอพ่อแม่ไม่ให้ไปเที่ยวเราก็จะโกรธพ่อแม่ขึ้นมา พราะเราอยากไปแต่ไม่ได้ไปแต่ถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวเราก็จะไม่โกรธใครเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาได้ดับความทุกข์ภายในใจได้สร้างความสุขภายในใจที่ถาวรด้วยการปฏิบัติทาทั้งสามข้อนี้ พวกเราก็จะสามารถปฏิบัติและพบกับความสุขที่ถาวองได้เช่นเดียวกันถ้าเราน้อมเอาคำสอนทั้งสามข้อนี้มาปฏิบัติกับเราคือทาบุญให้ถึงพร้อมละบาปให้หมดแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่พวกเรากำลังมาทำกันในวันนี้เราทําบุญด้วยการถวายข้าวของ อาหารบิณฑบาตสิ่งของต่างๆปัจจยัยเงินทองนี่เรียกว่าเป็นการทาบุญแล้วเราก็มาละบาลด้วยการมาสมาทานศีลห้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์รรประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมา อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการละบาลแล้วเราก็มาฟังเทศฟังธรรม ให้เกิดปัญญาให้เกิดธรรมะแสงสว่างที่จะไปลบล้างความหลงความมืดบอดพอเรามีปัญญามีธรรมะเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากได้ก็จะทําให้เราทุกข์ใจพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆ หยุดความอยากมีสิ่งต่าง ๆ, ๆหยุดความอยากเป็นสิ่งต่างๆได้พอเราหยุดได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเหมือนกับใจของพ่อพระพเจ้าละใจของพระอรหันตาสาวกทั้งหลายท่านมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลยเพราะท่านได้ทำบุญลาบาป และชำระใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วพวกเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันโดยถือโอกาสวันสำคัญในวันนี้เรียกว่าวันมาฆาบูชานี้มาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอรหันตสาโลกทั้งหลายด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชานี้มีสองแบบด้วยกัน หนเรีอกว่าอมิตสบูชาเช่นบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียน 2. ปฏิบัติบูบชาคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในการบูชาสองรูปแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่แท้จริงถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริง ก็ขอให้เราปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมทั้งสามข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาแล้วเราจะได้บูชาพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราบูชาคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เรายุดติการเวียนว่ายตายเกิด ให้เราได้พบกับความสุขที่ถาวร น, นั่นเองถ้าเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเงียนว่านตายเกิดเราจะได้พบกับความสุขที่ถาวร อ, อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นจํานวนมาก ตั้งแต่ในสมัยพระพุทธกาลจนถึงในสมัยปัจจุบันนี้ปรากฏกายเป็นกายเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็มาจากพวกเรานี่แหละก่อนที่จะเป็นพระสาวกก็ต้องเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงกันอยู่แต่พอได้เข้าวัดเข้าว่าได้มาฟังเทศฟังธรรม แล้วเกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติเริ่มต้นจากน้อยไปหามากตอนต้นก็ทำบุญวันลกอาทิตย์ละครั้งหรือปีละครั้งสองครั้งต่อมาก็เพิ่มเป็นเดือนละครั้งต่อมาก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละครั้งต่อมาก็ทำทุกวันเช่นใส่บาตรทุกวันอย่างนี้เราเริ่มต้นจากน้อยไปหามาก เพราะเราจะ ท, ทําทีเดียวมากๆเลยก็จะไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้เราทําจากตรงที่เราทําได้ตอนนี้เราทําว่าทำได้เท่าไหร่เราก็เพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกับการรักบาตรักษาศีลตอนต้นเราก็รักษาอาทิตย์ละครั้งวันพระมาวัดก็มาถือศีลต่อไปเราก็เพิ่มเป็นสองวันสาวัน ต่อไปก็เพิ่มเป็นห้าวันทั้งเดือนไปต่อไปก็รักษาศีลห้าไปตลอดแล้วก็เพิ่มวันพระมารักษาศีลแปเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรักษาศีลแปได้ทุกวันถ้าเรารักษาศีลแปได้เราก็จะมีกําลังที่จะมาชำระใจของเราให้สะอาดได้การชำระใจให้สะอาดนี้ก็ต้องทำอยู่สองขั้นด้วยกัน ขันแรกคือทำใจให้สงบให้นิ่งด้วยการนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบนี่ขั้นที่หนึ่งพอเราได้ขั้นที่หนึ่งแล้วเวลาเราออกจากความสงบมาเราก็ทำขั้นที่สองก็คือสอนใจ สอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปอยากได้เพราะจะเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอย่าไปยึดติดเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์างขึ้นมาพอเราเห็นความจริงนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราก็จะหายหลง ก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาหายจากความโลภความโกรธความหลงหายจากความอยากทั้งหลาย mm. ก็จะเหลือแต่ความสุขที่มีอยู่ภายในใจไปตลอดแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างเยสุขอย่างสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามจะไม่ทำให้ใจของเราทุกข์ได้อีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ไม่ทำให้ใจเราทุกข์ คนนั้นจะตายคนนั้นจะจากเราไปก็จะไม่ทำให้เราทุกข์เพราะใจของเราไม่หลงไปยึดติดกับเขาแล้วนั่นเองเพราะรู้ว่ายึดไม่ได้เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเราทาใจได้แล้วปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีโอกาสได้ พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีโอกาสได้พบกับความสุขที่ถาวรนี่เลยดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่จะหาได้หาได้ยากมากเพราะว่านาน า, นานจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง และการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสทองโอกาสที่สําคัญที่สุดของชีวิตเราที่เราควรที่จะฉวยโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสอัน ง, งาม น, นี้หลุดจากมือเราไปเพราะจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกเป็นเวลาอันยาวนานถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะอยู่ในความมืดของความหลงและเราก็จะกว้านหาความทุกข์มาสายใจของเราอยู่ทุกวันทุกคืนอยู่กับความทุกข์ไปเป็นเวลาอันยาวนานแต่ชาตินี้เรามีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราแล้วดิฉขอให้พวกเรา จับตัวโอกาสนี้ด้วยการปฏิบัติตามที่พทธเจ้าทรงสอนสาข้อด้วยกันคือทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันมาฆบูชาี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความดับทุกที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้